ไม่แช่ว่าจะเด็ดนะผู้ใหญ่ก็รู้แต่ก็ยังทำได้นี่อธินามให้รักของคนอื่นก็เป็นสัจจะเช่นเดียวกันอันนี้สัจจะที่มันมีอยู่กับโลกเรียกว่าสัจจะสมมติแต่ยังไม่ใช่เป็นสัจจะปรมาให้เข้าใจอย่างนั้นกามเมมุสาสุลาเหล่านี้แต่พูดกันได้ก็ยังทากันอันนี้ถือว่าสัจจะโดยสมมติ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 คนนี้ปฏิบัติน้อยจะให้รู้น้อยหรือใจเห็นญาณของตัวเองน้อยมากถึงจะเข้าใจอย่างนั้นเราไปเสื้อความคำนี้อยู่อ่าสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้าที่ได้ทำลงไปแล้วนั้นเราไปเสื้อบุตรนี้แต่ความจริงนะ้วความคำนี้มันอาจจะตีความหมายเป็นลึก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 บั น, นี้ยามตั้งแต่ปอนก่อนโน้นก็มีชอบมีเกลียดมีรักมีพอใจมีไม่พอใจท่านก็มีแต่กอนแต่เมื่ อ, อยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเหมือนกันมือ น, นียจังหวะสภาพหรือสภาวะดั้งเดิมเหมือนกันเมื่อเราทำเหมือนกับท่านก็จะรู้เหมือนกับท่านอันนี้ถ้าจะพูดไปไปก็ยาวนะบันนี้เมื่อรู้จักโลกโลกนามโลกแล้วก็รู้จักสภาพหรือภาวะ ทุกขังอนิจจังอนัตตานี่เราก็มีเหมือนกันกับท่านอาจามาเคยพูดบ่อยๆแต่ไม่ได้พูดเอาเอาขนาดนี้เพราะว่าวันนี้มีคนต้องการอยากให้พูดโดยสัจจะทำมันก็เลยเอาเรื่องสัจจ ม, มจริงมาพูดสุกันฟัง น, นี่แหละที่เราไม่เข้าใจว่าเมื่อท่านรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตาท่านมองเห็นสภ า, ภาวะมันเป็นอย่างไทางนี้ก็เลยรู้สมมติ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 เป็นพระพเจ้านะจะมาเข้าใจทราบซึ้งตึงใจว่าัดพุทธศาสนาหมายถึงตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเข้าไปรู้สภาพหรือภาวะอันนี้เนี่ยจังหวัดเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นเมื่อไปถึงแล้วก็นํามาสอนคนวันนี้บริษัทที่จะทําให้พุทธศาสนาเจริญคือรู้แล้วต้องไปเทศไปสอนอยังเป็นพัก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 ให้เข้าใจอย่างนี้เรียกว่าสัจธรรมเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่มีการยกเว้นแต่ว่าสำคัญบุคคล น, นั้นจะทำให้รู้หรือไม่ทำให้รู้ท่านเองหรือบุคคล น, นั้นจะทำให้ปรากฏขึ้นมาหรือไม่ทำให้ปรากฏขึ้นมามเมื่อจเจริญให้ได้สัดส่วนแล้วญาณเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นมาเองโดยธรรมชาติท่านจังห ว, วัธรรมศาสตร์มันสร้างให้เองท่า ธรรมชาติมันสร้างให้เองเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยสบายมันก็สบายดีธรรมชาติมันสร้างให้เองพอเรานั่งให้มันสบายมันก็ต้องสบายอย่างนี้บัดนี้เราไปนั่งอยู่ที่คุ้คีบันเนี่ยสบายมันก็ธรรมชาติสร้างไอ้อย่างกุ้งคีนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้สภาวะหรือสภาพของจิตใจของเราทุกคนเมื่อเรารู้สภาพหรือสภาวะจิตใจของเราแล้วสภาพหรือสภาวะจิตใจของคนอื่นก็เหมือนกันกับเรา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 อันนี้อัตามามันเสียงไม่ค่อยดีมันแตกนอ้มันขึ้นมาว่าอย่างนี้ก็ได้ขอพูดเป็นภาษาบ้านเรานีดเดียวเอาไม่เข้าที่ไปปลูกลงในดินมันแตกขึ้นมาเองถึงเวลามันมันแตกขึ้นมาเองถ้าเป็นเ ม, ม็ดข้าวรีบเทมันโบแตกเม็ดข้าวจ้าก็แตกออกมาออกนอคือกันเม็ดข้าวเหนียวก็ออานอคือกันเม็ดข้าวอันใดก็ออานอหมดทุกเม็ดแต่ข้าวรีบเทโบออกบัานนี้เม็ดข้าวว้นข้าวเต็มบนเนือขันเอาไว้ไว้ในยุ่งในสระโบไปเดพอดินอะไรโบออก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 ไม่เห็นภัยเลยเทศสอนกันไปเรื่อยไปเลยิมันเป็นอย่างนั้นจริงเราทุกคนวันนี้ก็ต้องพูดคันเริ่สัจาธรรมทาตัวของเราเป็นลูกศิษย์ของพ ร, พระเจ้าจริงจถ้าเรารู้จริงๆรลงเสอนได้ถ้าสิบแปลผู้สอนจริงว่าสงสาวกของพระภิกภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วน่ สามิจิปติปโนภะควะโตสา ว, วกสังโสงสาวกของพระวิภาคเจ้านั้นหมดปฏิบัติสมควรแล้วถ้าสมควรแล้วกอตรงไม่หลงใครจะพูดจะนายกลมเชื่อเชื้อควมลู้คมเห็นของตัวเองทำให้เสื่อจากนั้นดังนั้นที่อาตมานำมาพูดให้ฟังนี้ดังนั้นที่อาตมานำมาพูดให้ฟังนี้ในตำลา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 ท่านตัดไว้เจปีเพราะว่าคนเกลียดค้านไม่ขยันเหมือนตัวพระองค์ทาท่านทำหกปีแต่บัดนี้อธมายืนยันรับรองว่าเอา้าให้เจริญสติปัะฐาสีแปรกเคลื่อนไหวเนเอารับรองได้สามปีสามปีอานิสงไม่ต้องพูดเลยอย่างนานสามปีอย่างต่างให้เวลาหนึ่งปีและอย่างสัดที่สุดหรือกระทัดนัดที่สุดให้เวลาสามเดือนหรือเก้าสี่วันทาให้ติดต่อกันจริง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 ก็เห็นว่าพอสมควรเกเวลาแล้วอาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะยุณสถานที่นีอ้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอและคุณพระรัตนสาวกพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอย่างถูกต้องคือพระองค์นั่นแหละ